เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักรรนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นพลังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระกรังของพระองค์คือพระไตริสุท์นั้นมีแต่พระธรรมดวงพระสละ เลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงได้ล่ำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็าเป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกกระาถาสัทาเทวมนุษย์สานังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 ฝืนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดจนหาสิ่งที่ให้ฝืนไม่ได้จิตก็สะดวกสบายไม่มีอะไรมาฝืนใจอีกต่อไปสิ่งที่ฝืนจะมีมากมีน้อยเพียงไร น, นั่นแหละคือตัวภัยของจิตและสิ่งนั้นเมื่อเราดาเนินไปตามหรือเราคล้อยไปตามมันจะมีกำลังมากขึ้นโดยลงดับจนกลายเป็นนิสัยธรรมกายเป็นนิสัยคือโลกเขาว่า เอาตามใจตัวเองมันเป็นนิสัยแต่ความจริงมันก็ตามตามธรรมชาติเหานั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยเ่ตุการณ์ที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจําต้องฝืน ดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานทีน่นี้หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงานความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ไอ้เรื่องเวลาเวลาจะมีมากน้อยเพียงไงก็าตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในปิตใจของเราซึ่งเป็นผู้ผู้กรรมอำนาจหรือผู้คุมอำนาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลักขณะขณะที่จะสิ้นลมหายใจนั้นอันถึงจะปล่อย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 มันน่าสรุปสังเวชไหมและสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทำให้เราได้รับความทุกข์มามากน้อยเพียงไรและแต่แต่นานเท่าไร่กดขี่บังคับอยู่ภ า, ายจในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่แม้แตุ่ดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวาย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 เี of of ่ก็เป okay, kind of pues. nope ็นกิเลีสประเภทเดียวกันธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้พี่จะแก้ไขหาเวลาหาโอกาสเพื่อตนเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเราไม่ผิดกันอะไรเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอะถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอนี่แหละ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 ดีไม่ดีเขาก็มีอะไรอยู่ภายในจิตใจของเขาพร้อมมาพบเรื่องของเราเข้าก็เลยบวกกันเข้าไปใหญ่เลยเลยมีแต่กองทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปวดเบื้องสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับความฝืนฝืนมากฝืนน้อยฝืนเถอะฝืนเราการฝืนเรา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 แล้วข้างต่อไปในเรื่องสิ่งที่จะให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเข้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดาเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนัทธธรรมพระพุทธมีพระพุทธา้าเป็นต้นท่านจงดําเนินอย่างนี้ทําไมท่านจะไม่หึงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ใยครอบกรัวย่ำเลือนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมี กิเลสเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นได้นานครูของพวกเราสาวกทั้งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธังสัขงขังฉนังกฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธังธรรมังสัขงขังฉนังกฉามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ําทำลายโดยแมค้คำหนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่า มีคุณค่ามากน้อยเพียงไรยิงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกยียจอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์า ม, มาสกรปรกด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอมีเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอะไรมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตเุเข้าดาเนินไปตามนั้นทำไมมันฝืน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 ถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายน จ, จิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันย่างค่าทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโลง่ลงๆนั่นแหละนี่นั่นจึงว่ามันมันอยู่ที่จิตถ้าจิตต้องเรามีความปลอดโปรง่งโลง่งสบายสบายแล้วดูที่ไหนมันก็สบายอยู่ในถ้นาในเหวในกระถับป่อตามอยู่ในร้นไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จําเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี่โลง่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบาย ความสุขก็สุขอยู่อย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่าท้าเร็วซามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่าทําลายจนแหลกทั้งหมดผลและมันโยนให้เราเป็นคนนับทุกจะเป็นจะตายอยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งความแห่งสิ่งต่ําทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจในพยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผล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 เป็นอภู ป, ปัตธรรมเป็น จ, จิตใจที่ไม่กำเนิกเป็นความสุขที่ไม่กำเนิกไม่เปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ที่นี่เนีย่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่พอย่างยิ่งการจิตตะภาวนาจะถือเป็นเรื่องเล็กเลน้อยน้อยทำพอเป็นพิธีดีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธี แล้วเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนักถนะึงห้านาทีสิบนาะทีสิบห้านาทีแทบล้มแทบตายเวลาที่เดยสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคนืนยังสนุกกับมันไปได้ mm hmm. เห็นไหมก mm hmm. ิเลสมันกล่อมคนดีขนาดหนมันกล่อมดีขนาด น, นั้น กรอมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะหาไงแต่ทาไมนักปราช์ท่านตำหนินะักผู้เราทำไมชอบนี่นะชอบอะไรมันก็เจอนะอันนชอบทำก็เจอทําชอบกิเลสชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดาเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดย ไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราแน่ใจแล้ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์เราได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำจังสอนที่ถูกต้องแน่นยังมาจากหลักหานสวขาตาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว พยายามดำเนินตนให้เป็นไปาตามหลักแห่งส่วนคาธรรมผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณเ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ในการดำเนินวิถีการครองคองขีก้ก็ตามวิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่น่ากิตใจก็ต่าง ไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีป้องกันรักษาตัวทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในยพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์นักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอันหนึ่งนักปกครองคนทั่วๆไปทางด้านจิตใจนี้ถึงสามโลกาฐานเดียวปกครองสัตว์ อุบายแนะนำสัมสรวะสัตว์ถึงสามถึ ง, ถงด้ถึงสามโลกถาไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพนันธุพันเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพนันธุ์พันไปเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอ เช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่ลัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายหุืให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแจพระเสมอว่าแบบแถนเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านว่ามัน เขายกนิทานหัวตาขึ้นมาเดินตัวไปในบ้านเขาเขาเขาหนิบนขึ้นบนบ้านตามหนิมนขึ้นบนบ้านก็คือนิม น, นขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่หัวตานั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่านิบนข้างบนนิบนข้างบ น, งบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขื่อนนั่นวะอ๋อทำไมาขึ้นไปโน้นล่ะนิมนลงมากลงมาแล้วเปิดเลยแม้นั่งอยู่ท้องบ้านเขาน่ะนั่น อันนี้มันเป็นยังไงสอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีกอเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มผงแล้วจะปีนขึ้นไปไหนอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนขื่อนนิพพานไม่มีขื่นอนเลยปีนขึ้นบนเขือ น, นี่มันลงโดดไปเลยแล้วไม่ได้เหลืองทันวะตั้งขึ้นตั้งลอง่อมผิด คนไม่ค่อยควรคนมพิจารณาเขีนกลงกงจนเสื่อหันว่นะในวงปฏิบัติของเรานี้มีไหมที่ปีนขึ้นขื่อเยอะหันว่าฟัางสินี่เป็พวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้น่ะปีนขึ้นบนขื่อไม่ไปละตามหลักมัธยมมาที่พระเจ้าทรงสอนไั่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตั ว, วออมันพูดหน้าฟังนะพวกบนขื่อหันว่างั้นอืม เป็นกติสาคัญห้าฝังมากซึ้งฝังแล้วนิ่พูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพิจิตพิจารณาเหตุผลว่าควรอย่างไงไม่ควรอย่างไางมีเห็นตรงคําว่าเห็นต ร, ร, รงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาศเช็ดบาเรื่อยๆแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวท่านเอาบา ภามลงมาแล้วท่านส่องดูบาดให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาดมิทะลุตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องสฉพาะอาทิตย์มองไปถ้าหาว่าบาดมิทะลุตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุ่นีนีลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาดส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามามาถามแลวส่องเพื่ออะไร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 แต่ครูวาตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขือ่อเฉยเขาเนี้นิมนต์มาข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขือ่อเลยปีนขึ้นไปบนขือ่อบนบ้านเขาไม่ยอมดอีอ้าวขึ้นมาทำไมนิมนต์น้องเหมือนนิมนต์ลงโดดลงไปเลยนนการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินจมกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลิน ก็คิดคิดโศกหรือคิดเถื่อนยุ่งไปหมดอ <iggle. S 1> พอออกสายทางโยกงมาอวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงมบ ป, ปะ่ะแล้วเดินโยกงตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายผัวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาเอาทำไมานั่งภาวนานั่งก็อ๋อละนั่งก็นั่งคิดนั่งกุ้งนั่งยุ่งนั่งเยิ่งวุ่นวายไปหมดแน่หนิมร่างกายก็ได้ทนั้นนาทีได้สัตว น, าานี่นาที เรเห็นได้เรื่องอะไรนอนถ้าดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาดินอนแล้วมันได้เรื่องมันก็ได้เรื่องหมอนเพราะนั้นเด็กันก็ไม่ได้มักผลนิพพานอะไรลงผวังหลวงรับก็แน่มันไปที่ไหนก็มีเตกิเดศตามเหยียบย่าทําลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่าทําลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีเตจิเดศตามล่าตลอดเวลาพวกเรามันพวกกิเลสตามล่าเออ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 อ้าวมันอยากทําทีนั้นไม่อยอมให้ทํามันจะผืนไปได้ไงเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ไม่ให้ทำเราต้องไม่ทำํำเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทําอ้าวทําลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายทําไมโลกเขาทาหน้าเราทําไม่ได้โลกเขาทํ า, ท ไ, ม ไ, าทไม่ตายแล้วทําไมเราทํามันต่ายตายก็ตา ย, ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทําสิ่งที่ถูกต้องในงามอย่างสงใจเธอ น, นั่นว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็เหมาะเป็นเล่ มันจะไปไหนพ้นพไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแกลกิเลศกิเลส ย, ยอมจะทำเท่านั้นอย่างอื่นกิเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไรกิเลสยิย่งจะพาให้เราร้องเพลงมันบาลื่นเริ ง, เรงสนุกสนานอย่า <c oughs> งไรขณะที่ฟังเทศน์นี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหม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 วุ่นอยู่ตลอดเวลาเกาะกวนออยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยๆเพราะป้อนเหตุให้เรื่อยๆทา่านว่าการฟังธรรมผลเนี้ยห้าประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมพองใสนะั่จิตจะผองใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสธรรม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 พอสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามาก่อควรมวุ่นวายเวนา น, นี้จใจเป็นภาชนะสนับรับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะอีกก็สงบสงบแล้วก็เย็นพอจิตเย็นแล้วมันสบายต่นั้นแหละคนเราเราหาความสบายไม่ใช่เหรือเราไม่หาความถูกนี่หลจิดแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้ พ, พยายามระ ง, งับจิตอย่าคิดมากเกินไป ความคิดมากไม่ใหญ่ของดีคิดมากๆไปจนจมันจะเป็นบ้าก็มีทําเป็นยังไงเพราะเหตุไรที่เป็นงั้นสิ่งที่ไม่ไม่ดีนั่นนหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความโกรธแค้นจิตยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนจิตใจขึ้นมาโดยลําดับนั่นแหละจนจะร่างกายไม่ไม่ไม่ได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาด จิตเป็นสมบัติของเราทําไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิตของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทุ่มกําลังตรงนั้นจิตยอมจํานวนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วที่นี้อ๋อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองหรเกิดความคร้าหานที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับลดับ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 ถ้าตนนังเหลวพูดออกไปถึงจะนำาทําพุทเจ้าไปความเหลวของตนออกแท่ออกไปด้วยมันก็ไม่น่าฝังมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มขน้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มขน้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาเน่จะว่าไงมันออกมาจากใจที่เป็นตัวการสาคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจ ให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับๆจากการปฏิบัติมีจิตตรพภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นกิจนอกประเด็นด้วยเป็นจิตพิเศษไปน้นี่หละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีทานี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาแล้วกถ้าพราดจากกันไปทั้งเขาทั้งเรา าความดีดังถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกถาตอันเป็นสมม ต, ติต น, นี้อึงขอยิติทรามเกียยงตัวนี้